อนาปติวนันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือเจ็ดภิกษุณีรู้อยู่ว่าชายไม่กำหนัดจึงส่งเสริม 2. อภิกษุณีรู้อยู่ว่านางโกรธจึงไม่รับประเคนจึงส่งเสริม 3. าภิกษุณีรู้อยู่ว่านางจะไม่รับประเคนเพราะความเอนดูตระกูลจึงส่งเสริม 4. ีภิกษุณีวิกลจริต 5. ภิกษุณีต้นบรรยัติสังฆาธิเศษสิกขาบทที่6จบ